ปริว่าสองเดือนสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉไหนหนอเราพึงขอปริวาดหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นขอปริวาดหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสง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 เรานั้นจึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับ 3. สงสงได้ให้ปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาทคิดละอายใจว่าชไหนหนอเราเพึงขอปริวาสสำหรับเดือนแม่นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงพิกษุนั้นบอกแก่พิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย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 เมื่อกระผมนั้นกาลังอยู่ ป, ร, ร, ปริวาสคิดละอ า, ายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นคิดว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะนั้นหนาเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงเรานั้นขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสง สงได้ให้ปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราแล้วเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาสคิดลายใจอยู่ว่าชะไหนหนอเราเพึงขอปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นสงจงให้ปรือว่าสำหรับเดือนแม่นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นวิธีให้ปรือว่าสำหรับเดือนนอกนี้และกรมมวาจาภิกษุทั้งหลายสงผึงให้ปริวาดอย่างนี้ คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์โฮมอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยองประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนกระผมนั้นคิดว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉไหนหนอเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่อ อ, อาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์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 ท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอปรือว่าสำหรับเดือนแม่นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบโดยยติเจตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัดสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน ภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะนั้นนอเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสอตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นจึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสอตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับสมสงได้ให้ปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสอตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่า เราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นคิดว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉไหนหนอเราเพิ่งขอปริวาดหนึ่งเดือนเพื่ออาบัต2ตัวปิดไว้2เดือนกับสงเรานั้นจึงขอปริวาดหนึ่งเดือนเพื่ออาบัต2ตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาดหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสตัวปิดไว้2เดือนแก่เราแล้ว เมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาาคิดละอายใจว่าชะไหนหนอเราพึงขอปรือวา่าสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นขอปรือวา่าสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ปรือว่าสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนแนอกน่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติ <Gaussian. S 2> ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉนันหนอเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสง์ภิกษุนั้นจึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับสง์ สงได้ให้ปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นคิดว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉนัยหนอเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสง์ เรานั้นจึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออารบัดสองตัวปิดไว้สองเดือนกับเราแล้วเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าเชไหนหนอเราพึงขอปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออารบัดสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นจึงขอปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้ เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงให้เปรือว่าสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้เปรือว่าสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่า แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงปริวาสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อน อยู่ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉไหนหนอเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสอง ภิกษุชื่อนี้จึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัต2ตัวที่ปิดไว้2เดือนกับสงส่งได้ให้ปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัดสองตัวปิดไว้สองเดือนกับภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกาลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัดสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นคิดว่าเราต้องอาบัดสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน ฉไหนหนอเราพึงขอปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงเรานั้นจึงขอปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราแล้วเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าฉไหนหนอเราพึงขอปริวาทสําหรับเดือนแม้นอกนี้ เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นจึงขอปริวาสําหรับเดือนแมน้นอกนี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสมสงได้ให้ปริวาสําหรับเดือนแม้นอก น, นี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี um, ้ ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคือเดือนหนึ่งรู้เดือนหนึ่งไม่รู้ภิกษุนั้นขอปริวาสสำหรับเดือนที่รู้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสสำหรับเดือนที่รู้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสรู้เดือนแม้นอกนี้ภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า เราต้องอาบัตสังขาที่เสดสองตัวปิดไว้สองเดือนคือเดือนหนึ่งรู้เดือนหนึ่งไม่รู้เรานั้นขอปริวาสสำหรับเดือนที่รู้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสเดือนที่รู้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงแก่เราแล้วเรานั้นกำลังอยู่ปริวาสรู้เดือนแม่นอกนี้ว่า เชนไหนหนอเราพึงขอปรือว่าสําหรับเดือนแม่นอกนี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นจึงขอปรือว่าสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปรือว่าสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงอยู่ปรือว่าสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุทั้งหลาย อันหในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเดือนหนึ่งระลึกได้เดือนหนึ่งระลึกไม่ได้ภิกษุนั้นขอปรือว่าสําหรับเดือนที่ระลึกได้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปรือว่าสําหรับเดือนที่ระลึกได้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาาระลึกเดือนแม่นอกนี้ได้ ภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเดือนหนึ่งระลึกได้เดือนหนึ่งระลึกไม่ได้เรานั้นขอปริวาสสำหรับเดือนที่ระลึกได้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสำหรับเดือนที่ระลึกได้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราแล้วเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาส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 ภิกษุนั้นพึงอยู่ปริว่าสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคือเดือนหนึ่งแน่ใจเดือนหนึ่งไม่แน่ใจภิกษุนั้นขอปริว่าสำหรับเดือนที่แน่ใจเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้2เดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริว่าสำหรับเดือนที่แน่ใจเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้ว เมือ่อภิกษุนัน้นกำลังอยู่ปริวาสแน่ใจเดือนแม้นอกนี้ภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเดือนหน right. ึ <data> ่งแน่ใจเดือนหนึ่งไม่แน่ใจเรานั้นขอปริวาสําหรับเดือนที่แน่ใจเพื่ออาบัติสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสําหรับเดือนที่แน่ใจเพื่ออาบัติสองตัวปิดไว้สองเดือนกับเราแล้ว เมื an ance, işte at, e ่อเรานั้นกาลังอยู่ปรือว่าแน่ใจเดือนแม้นอกนี้ว่าฉไหนหนอเราพึงขอปรือว่าสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาับสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงพิกษุนั้นจึงขอปรือว่าสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาับสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปรือว่าสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออารบสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิษุนั้นภิษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาสสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุผู้ควรแก่มานัดอยู่ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัต ส, สองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ ภิกษุต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเดือนหนึ่งรู้แต่ปิดไว้เดือนหนึ่งปิดไว้โดยไม่รู้ภิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาภิกษุรูปอื่นผู้เป็นพู้หูสูดเชี่ยวชาญปริยัตทรงธรรมทรงวินัย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 เดือนหนึ่งปิดไว้โดยที่ไม่รู้ภิกษุนั้นขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับ 2. สงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตเหล่านั้นพิกษุนี้อยู่ปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายการให้ปริวาสสำหรับเดือนที่รู้แต่ปิดไว้ชอบทำ ความชอบธรรมย่อมฟังขึ้นส่วนการให้ปริว่าสำหรับเดือนที่ปิดไว้โดยไม่รู้ไม่ชอบธรรมความไม่ชอบธรรมย่อมฟังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแก่มานัดเดือนหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคือเดือนหนึ่งระลึกได้แต่ปิดไว้เดือนหนึ่งปิดไว้โดยระลึกไม่ได้ ภิกษุนั้นขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลัองอยู่ปริวาสภิกษุรูปอื่นผู้เป็นพหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัติทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษามาถึง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 สงได้ให้ปรวิวาสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตเหล่านั้นภิกษุนี้อยู่ปริวาเพื่ออาบัตเหล่านั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายการให้ปริวาสำหรับเดือนที่ระลึกได้แต่ปิดไว้ชอบธรรมความชอบธรรมย่อมฟังขึ้นส่วนการให้ปริวาสำหรับเดือนที่ปิดไว้โดยระลึกไม่ได้ไม่ชอบธรรม ความไม่ชอบทำย่อมฟังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแก่มานัดเดือนหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไวสองเดือนคือเดือนหนึ่งแน่ใจแต่ปิดไว้เดือนหนึ่งปิดไว้โดยไม่แน่ใจภิกษุนั้นขอป ร, ริวาสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนกับสง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 ภิกษุนี้อยู่ปริวาเพื่ออาบัตอะไรภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคือเดือนหนึ่งแน่ใจแต่ปิดไว้เดือนหนึ่งปิดไว้โดยไม่แน่ใจภิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับ 2. สงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้ว ท่าภิกษุนี้ต้องอาบัตเหล่านั้นภิกษุนี้อยู่ปริวาเพื่ออาบัตเหล่านั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายการให้ปริวาสำหรับเดือนที่แน่ใจแต่ปิดไว้ชอบทำความชอบทำย่อมฝังขึ้นส่วนการให้ปริวาสำหรับเดือนที่ปิดไว้โดยไม่แน่ใจไม่ชอบทำความไม่ชอบทำย่อมฝังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแก่มานัดเดือนหนึ่ง ท่านตะปริวาสปริวาสสาหรับอาบัตหลายตัวปิดไว้หลายคราวสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตสงังฆาทิเศษหลายตัวภิกษุนั้นไม่รู้ที่สุดอาบัตไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย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 สงจงให้สุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นวิธีให้สุดทันตะปริวาสและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงเพึงให้สุดทันตะปริวาสอย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวงป่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แกลพันษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวกระผมไม่รู้ที่สุดอาบัตไม่รู้ที่สุดราตรีเราลึกที่สุดอาบัตไม่ได้เราลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอสุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสมพึง <P ừng> <P ừng> ขอแม้ครั้งที่สองพึง <P ừng> ขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถ เพื่อประกาศให้สงทราบด้วยยติเจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัต ส, สังฆาทิเศตหลายตัวภิกษุนั้นไม่รู้ที่สุดอาบัตไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรี ภิกษุนั้นขอสุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงให้สุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแกภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวภิกษุนั้นไม่รู้ที่สุดอาบัตไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีภิกษุนั้นขอสุดทันตะปริวาตเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงสงพึงให้สุดทันตะปริวาตเพื่ออาบัตเหล่านั้นก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สุดทันตะปริวาตเพื่ออาบัตเหล่านั้นก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง แม้ครั้งที่สองเขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สามเขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงสุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้วิธีให้สุดทันตะปริวาสภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สุดทันตะปริวาสอย่างนี้แล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 ไม่แน่ใจในที่สุดราตรีสงเพงให้สุดทันตะปริวาสภิกษุไม่รู้ที่สุดอา Jesús, บัตรู้ที่สุดราตรีบางส่วนไม่รู้บางส่วนระลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีบางส่วนได้ระลึกบางส่วนไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีบางส่วนแน่ใจในบางส่วนสงเพงให้สุดทันตะปริวาสภิกษุรู้ที่สุดอาบัต รู้ที่สุดราตรีบางส่วนไม่รู้บางส่วนระลึก ok ที่สุดอาบัตได้ระลึก ok ที่สุดราตรีบางส่วนได้ระลึก ok บางส่วนไม่ได้แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีบางส่วนแน่ใจในบางส่วนสงผึ่งให้สุดทันตะปริวาสภิกษุรู้ที่สุดอาบัตบางส่วนไม่รู้บางส่วนรู้ที่สุดราตรีบางส่วนไม่รู้บางส่วน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 สงเพืองให้ปริวาสอย่างไรภิกษุรู <c oughs> <ella> ้ที่สุดอาบัตรู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตได้ระ่ดลึกที่สุดราตรีได้แน่ใจในที่สุดอาบัตแน่ใจในที่สุดราตรีสงเพึองให้ปริวาสภิกษุไม่รู้ที่สุดอาบัตรู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ริลึกที่สุดราตรีได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตแน่ใจในที่สุดราตรีสงเพืองให้ปริวาส ภิกษุรู้ที่สุดอาบัตบางส่วนไม่รู้บางส่วนรู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตบางส่วนได้ระลึกบางส่วนไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตบางส่วนแน่ใจในบางส่วนแน่ใจในที่สุดราตรีสงผึ่งให้ปริวาสภิกษุทั้งหลายสงผึ่งให้ปริวาสอย่างนี้แลปริวาสจบ จตาริสะกะว่าด้วยกรณีตัวอย่าง40สกรณีภิกษุอยู่บริวารศึกสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกําลังอยู่บริวารศึกไปภิกษุนั้นกลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่บริวารศึกไป ปริวา่าของผู้ศึกย่อมใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาาเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวา่าที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวา่าที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วพึงอยู่ปริวา่าที่เหลือต่อไปหนึ่งภิกษุอยู่ปริวาโลสถานะเป็นสมณเณรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในงกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาโลสถานะเป็นสมณเณร ปรืว่าของสมณเณรใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาดเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริว่าที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริว่าที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วพึงอยู่ปริว่าที่เหลือต่อไปสองภิกษุอยู่ปริวาาวิกลจริตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาาเกิดวิกลจริต ปริวาสของภิกษุผู้วิกลจริตนั้นใช่ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นหายวิกลจริตให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาาที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาสที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วพึงอยู่ปริวาาที่เหลือต่อไปสภิกษุอยู่ปริวาสมีจิตฟุ้งซ่านภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกาลังอยู่ปริวาามีจิตฟุ้งซ่าน ปรือว่าของภิกษุผู้มีจิตฟุงรร้งซ่านนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นมีจิตไม่ฟุงรร้งซ่านอีกให้ปริว่าเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาาที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาาที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วพึองอยู่ปริวาาที่เหลือต่อไป 4. ภิกษุอยู่ปริว่ากระสับกระสายพระเวทนาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในงกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาา เป็นผู้กระสับกระสายพระเวทนาปริวาสของภิกษุผู้กระสับกระสายพระเวทนานั้นใช่ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นไม่กระสับกระสายพระเวทนาอีกให้ปริวาสเดิมนั่นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาสที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วพึงอยู่ปริวาสที่เหลือต่อไป 5. ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสถูกทรงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติปริวาสของภิกษุผู้ถูกทรงลงอุเคปณิยกรรมนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นถูกเรียกเข้าหมู่อีกให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาสที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วพึงอยู่ปริวาสที่เหลือต่อไป 6. ภิกษุอยู่ปริวาถูกสงลงโอเคปัญญกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาถูกสงลงโอเคปณญญกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติปริวาของภิกษุผู้ถูกสงลงโอเคปณญญกรรมนั้นใช่ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นถูกเรื่อเข้าหมู่อีกให้ปริวาเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ปรือว่าที่อยู่แล้วเป็นอันอยูย่ดีแล้วพึงอยู่ปริวาที่เหลือต่อไป7จภิกษุอยู่ปริว่าถูกสงลงโุเคปนียกรรมเพราะไม่ฉละทิฏฐิบาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกาลังอยู่ปริวาาถูกสงลงอุเคปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปปริวทองรภิกษุผู้รถูกสงลงโุเคปนิยกรรมนลั้งอนใชุ้่ปรนีกรรมไม่ได้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 การชักภิกษุผู้ศึกแล้วเข้าหาอาบัตเดิมนั้นใช่ไม่ได้ถ้าพิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาทเดิมนั้นแหละแก่พิกษุนั้นปริวาที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วสงเพื่อชักพิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม๙ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมลดฐานะเป็นสมเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง ในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแกร่การแชกเข้าหาอาบัติเดิมลดฐานะเป็นสามเณรและถึงเกิดวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระสายพระเวทนาถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคิร์นอาบัติถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปการชากักภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปณิยกรรมนั้น เข้าหาอาบัตเดิมใช้ไม่ได้ถ้าพิกษุนั้นถูกเรืยอเข้าหมูอีกให้ปรือว่าดเดิมนั้นแหละแก่พิกษุนนั้นปรือว่าที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปรือว่าที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วสงพึงชาภิกษุนนั้นเข้าหาอาบัตเดิมส0ถึงสิหกษิผู้ควรแก่มานัสสกพิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พิกษุผู้ควรแก่มานัสกเสีย การให้มานักแก่ภิกษุผู้ศึกแล้วนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาดเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วสงเพึงให้มานักแก่ภิกษุนั้น17ภิกษุผู้ควรแก่มานัดลดทานนะเป็นสมณเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุผู้ควรแก่มานัตลถฐานะเป็นสมณเ น, นและถึงเกิดวิคลจริตมีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระสายพระเวทนาถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตถถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปการให้มานัตแก่ภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปณิยกรรมนั้นใช้ไม่ได้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 ภิกษุผู้ประพฤติมานัตลดฐานะเป็นสมณเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้กําลังประพฤติมานัตลดฐานะเป็นส ม, มเณรละถึงเกิดวิคุจริตมีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระสายพระเวทนาถูกสงลมอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตถถูกสงลงอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัต ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะมิฉะทิฏฐิบาปการประพฤติมานัตของภิกษุนั้นผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นถูกเรื่อเข้าหมูอีกให้ปริว่าเดิมนั้นแหละแกภิกษุนั้นปริว่าที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริว่าที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วมานัตที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วมานัที่ประพฤตแล้วเป็นอันประพฤตดีแล้ว ถึงประพฤติมานะที่เหลือต่อไป 26- สถึงสามิบสองพิสูจผู้ควรแกอ่อภานศึกภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแกอ่อภัยศึกเสียการอาภัยพิสูจน์นั้นผู้ศึกแล้วใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่พิกษุนั้นปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ปริวาที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วมานัทที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วมานัทที่ประพฤติแล้วเป็นอันประพฤติดีแล้วสงเพึงอับพานภิกษุนั้นสาภิกษุผู้ควรแก่อับพาลลดฐานะเป็นสัมเนธเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อับพานลลดฐานะเป็นสัมเนธละถึงเปิดวิกลจริต มีจิฟ s, ุ้งซ่านกระสับกระสายพระเวทนาถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปการอภานภิกษุนั้นผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นถูกเรียกเข้าหมูอีกให้ปริว่าเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริว่าที่ให้แล้วเป็นนั้นให้ดีแล้ว ปริวาที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วมาน ท, ที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วมาน ท, ที่ประพฤติแล้วเป็นอันประพฤติดีแล้วสงพึงอับพาลภิกษุนั้น34ถึง40าา่สจตารีส ก, กะจบ